พอเข้าใจไหมวันนี้ไม่มีนิทานนะเลยไม่ได้หลอกเด็กเลยหลอกแต่ผู้ใหญ่ฮะอ๋อเคยฟังหรือเปล่าใครเคยฟังฟันซ้ำก็แล้วกันคือเรื่องเนี้ยจริงๆจะบอกว่าภาวนาง่ายใครคิดว่าภาวนายากเลยนะแสดงว่าภาวนาผิดภาวนานี่เป็นเรื่องง่าย ที่ว่าง่ายเพราะว่าแม้แต่คนฟุ้งซ่านก็ทำได้ฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านเป็นไหมเป็นบ่อยใช่ไหมมีพระอยู่องค์หนึง่งมาบวชเป็นพี่น้องทีแรกเนเป็นคารวะเป็นพี่น้องกันนะคนพี่มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบวชพอบวชแล้วคนพี่เนี่ยเป็นพระอระหันต์ส่วนคนน้องเนี่ยพอมีลูกแล้วก็ส่งมาบูกับพี่ ลูกที่มาบวชกับพี่ก็ต้องเป็นหลานใช่ลุงก็เรียกาต้องเรียกว่าหลวงลุงหลานก็มาบวชอยู่กับหลวงลุงหลวงลุงเนี่ยพอคนก็ทราบกันดีว่าเขาเป็นท่านเป็นพระอระหันต์ก็มีลูกศิษย์เยอะพอหลานมาบวชเนี่ยกุฏิก็ไม่พอต้องส่งหลานไปอยู่สาขาสมัยนั้นไม่เรียกสาขาก็คืออยู่วัดอื่น สาขาจริงมันเกิดยุคหลังนะสมัยนั้นไม่มีสาขา ข, าของวัดไหนทุกวัดเป็นวัดในพุทธศาสนาพอส่งไปอยู่อีกวัดหนึ่งพอออกพรรษาเนี่ยเร็วๆเนี่ยเพิ่งออกพรรษาเนี่ยนะหลานเนี่ยที่เป็นพระเนี่ยนะคิดถึงว่าเราเป็นหลานอยากจะอยู่กับหลวงลุงที่เป็นพระอรหันต์แต่ถูกส่งให้มาอยู่อีกวัดหนึ่งเนี่ยใจก็ผูกอยู่กับหลวงลุงเวลาได้ผ้ามา จากวัดนั้นที่เป็นของตัวเองก็เก็บเอาไว้เก็บไว้กะว่าจะมาถวายหลวงลงุงพออาบรรษาปุ๊บ ก, ก็เดินทางมาเดินทางมาก็มาขึ้นกุฏิหลวงลุงไม่อยู่หลวงลุงไม่อยู่ก็เลยทำหน้าที่ของลูกศิษย์ปัดกวาดเช็ดถูกุฏิเตรียมอาสนะเอาไว้เตรียมที่นั่งเตรียมขันไม่เตรียมกระโถนเตรียมภาชนะน้าแล้วก็เตรียมพัดสมัยก่อนเนี่ยจะ ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเคยเห็นพัดแบบด้านยาวๆไหมที่เขาใช้พัดในวัง อ, อ๋อเลยใช่ไหมเอออย่างนั้นนะอย่างนั้นต้องปัดๆหน่อยๆ น, นะออพระสมัยก่อนก็ใช้พัดอย่างนั้นพอหลวงลุงกลับมาท่านไปธุระแล้วก็กลับมาพระหลานชายก็เลยกราบหลวงลุงบอกว่าในพรรษาที่ผ่านมาเนี่ย ผมได้รับถวายโยมถวายผ้ามาสองผืนผมขอถวายลุงๆทั้งสองผืนเลยครับ mm hmm. ลุงๆก็บอกว่าเอาไปใช้เองเถอะเรามีเยอะแล้วห mm hmm. ลานก็เสียใจพระหลานก็เสียใจก็บอกว่าถ้าลุงๆไม่เอาสองผืนก็รับสักผืนหนึ่งก็ยังดีผมขอถวายผืนที่ดีกว่า ให้กับลุงลส่วนผืนที่เลวกว่าเนี่ยผมเอาไปใช้เองนี่เลพบกันครึ่งทางลุงลุงก็ยังบอกว่าเอาไปใช้เองเถอะเรามีเยอะแล้วเอาใช้เองเถอะเพราะว่าพระใหม่จริงๆเนี่ยลาบสการะน้อยกว่าพระพระเถระเกือบจะหลุดพระแก่เองแล้วนะพระเถระเนี่ยจะมีลาบสการะเยอะกว่าก็เลยบอกกับหลานที่เป็นพระบอกว่าเอาไปใช้เถอะ หลานเนี่ยถูกปฏิเสธถึงสามครั้งก็เลยน้อยใจน้อยใจว่าดูสิเราเนี่ยนะบวชกับหลวงลงเป็นหลานแท้แท้และก็บวชกับลวงุงหลวงลุงลงลงเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นลุงแล้วก็มีฐานะเป็นอุปชาด้วยเรามีความผูกพันขนาดนี้ท่านยังปฏิเสธไม่รับผ้าของเราแสดงว่าลวงลงคงจะเห็นอะไรไม่ดีในเราหรือว่าเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีแวว ไม่มีแววไม่มีคุณค่าถ้าเราไม่มีคุณค่าเนี่ยแสดงว่าคงหมดหวังที่จะที่จะสร้างบารมีเพื่อบรุมมรคลก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็คงอยู่ไปเป็นพระก็คงไม่มีประโยชน์อะไรศึกดีกว่าศึกทีนี้ศึกไปเนี่ยนะมันก็ต้องหาเลี้ยงชีพเองใช่ั้ยเป็นพระเนี่ยบินบาบยมเลี้ยง แต่สึกไปเนี่ยก็ต้องหาหากินเองจะหากินเองก็ต้องมีต้นมีทุนก็นึกว่าเออเราจะเอาอะไรทำทุนนึกขึ้นได้ว่าผ้าสองผืนผ้าสองผืนนี้ผ้าสองผืนที่จะถวายลงลุงนี่แหละสมัยก่อนผ้ามีค่านะเดี๋ยวนี้ในผ้าทอจากโรงงานเนี่ยมันหาง่ายสมัยก่อนผ้าหายากพระเนี่ยเวลาตากผ้าเนี่ยนะยังมีข้อวัดว่าต้องเฝ้าผ้า ถ้าผ้าตากมีน้ําหยดอยู่เนี่ยนะแล้วเดินหายไปนะผ้าจะหายด้วยมีข้อกำหนดว่าถ้าซักผ้าแล้วผ้านั้นยังมีน้ําหยดอยู่แล้วพระเดินหนีไปเป็นอาบัติขนาดนั้นนะพระบางองค์เนี่ยนะจะส่งน้ําเนี่ยสมัยก่อนไม่มีห้องน้ําจะส่งน้ําก็คือลงแช่น้ําเวลาลงก็ค่อยๆถกก่อยๆถกนะ กระตกไปเรื่อยๆไม่ให้ผ้าเปียกนะพอพอลงไปแล้วเนี่ยไม่โปแล้วเนี่ยก็เอาผ้าเนี่ยพาดไว้กับต้นไม้ริมตลิง่งถ้าอาบเพลินผ้าหายนี่ผ้าสําคัญขนาดนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยมันมีค่ามากนะพอผ้าหายเนี่ยพระต้องเอาใบไม้มาปิดไม่มีผ้าเช็ตัวอย่างที่คลิปโชว์เมื่อตอนบ่ายผ้ามีค่าสมัยนั้น หลานก็เลยคิดว่าจะเอาผ้า2ผืนเนี่ยไปขายไปขายแล้วก็ไปทำอะไรดีมีมีเงินแล้วเนี่ยทำอะไรดีซื้อ i-pad สมัยนั้นไม่มีนะไม่มีตลาดหุ้นไม่มีอะไรก็คิดว่าจะไปซื้อแพะสมัยนั้นเนี่ยจะซื้อแพะทาไมต้องซื้อแพะเพราะคนอินเดียชอบกินนมก็มีนมวัวนมแพะทำไมต้องเอาแพะเพราะแพะ อ, ออกลูกง่าย ออกลูกง่ายต้องเป็นแพะตัวเมียด้วยเป็นแพะตัวเมียซื้อแพะตัวเมียมาแล้วพอมันมีลูกก็เลี้ยงลูกขายลูกต่อลูกแพะนะไม่ใช่ลูกเรานะขายลูกแพะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกิจการจะดีแล้วศึกออกไปแทนที่จะทำทำงานหาเงินอย่างเดียวต้องมีเมียด้วยจึงจะคุ้มกับการศึกครั้งหนึ่ง มีเมียมีเมียอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องมีลูกใช่ไหมมีลูกลูกน่ารักไหมลูกน่ารักไหมน่ารักเนะลูก น, ะกน่ารักก็อยากจะมาโชว์หลวงลงุงไงลูกน่ารักเนยนะมีลูกน่ารักแล้วอยากจะโชว์หลวงลงุงชวนเมียขึ้นเกวียนอุ้มลูกไปโชว์หลวงลงุงตอนขึ้นเกวียนเนี่ยใครเคยขึ้นเกวียนบ้างยากแล้วนะคนนักการศ์สิทธิ์ได้ขึ้นบ้างเปล่าเกวียนเนี่ยไม่มีเกียร์ ไม่มีเกียร์ใช้ใช้วัวลากนะจะให้มันไปเ ร, เร็วๆเนี่ยต้องมีปลาตัก์รู้จักปลาตัก์นยต่อปลาตัก์หุนหันเนะี่ยปลาตักก็คือไม้ยาวๆมีปลายเป็นเลหล็กแหลมๆอยากให้ไปเร็วๆนะั้นจิ้มจึ๊กจึ๊กจึกจ๊กจจิ้มอย่างแรงมันวัวเจ็บมันก็จ ะ, จะรีบเดินรีบวิ่งอยากจะเบรกนะั้นต้องดึงบางเหียนเอาไว้ดึงเอาไว้มันจะมันจะเบรกจะหยุดอยากให้เลี้ยวซ้ายก็ดึงทางนี้อยากให้เลี้ยวขวาดึงทางนี้เข้าใจไหม เวลาไปเนะี่ยอุปกรณ์สําคัญก็คือบางเหียนแล้วก็ประตักให้เมียอุ้มลูกแล้วก็ขึ้นเกวียนไปขับเกวียนไปก็เหลียวมาดูแงะมาดูแงะมาดูเมียเมียก็เมียมือใหม่ไม่ใช่เมียมือใหม่เมียเป็นแม่มือใหม่เมีมือใหม่เป็นแม่มือใหม่แม่มือใหม่ก็คืออุ้มไม่ค่อยถนัดอุ้มดูเก๊กังๆ ไอ้ทิดเนี่ยก็มานี่จะอุ้มให้ดูฉันเคยเห็นแม่อุ้มไอ้เมียบอกแกขับเกวียนไปฉันอุ้มลูกเองเถียงไปเถียงมาเธอนะี่ยอุ้มไม่ดีเลยอุ้มแบบเหมือนไม่ใส่ใจเลยนี่ต้องอุ้มอย่างนี้ท่าอย่างนี้ก็แย่งลูกกันแย่งไปแย่งมาลูกตกเกวียนลูกตกเกวียนตกไปไม่ตกเปล่าตกไปในตรงล้อเกวียนล้อเกวียนก็ทับแผละ ตายไหมตายออและแถมยังมีน้ำหนักของพ่อและแม่อยู่บนเกวียนอีกพ่ อ, อก็โกรธไอ้ทิดเนี่ยโกรธโกรธเมียในมือเมียอหละมีประตักก็เงื้อประตักไม่ทิ่มเมียนะตีไปที่เมียตอนตีเนี่ยลุงลุงร้องโอ้ยงงไหม งงป่ะคือตอนที่นั่งอยู่กับหลวงลุงเนี่ยนั่งพัดหลวงลุงอยู่แล้วก็คิดไปกูเนี่ยคงไม่มีวาสนาเป็นพระกูต้องศึกพัดไปเรื่อยๆกูต้องศึกกูต้องมีเมีย ม, มีลูกแล้วกูก็ทะเลาะกับเมียแล้วกูก็เลยตีเมียไอ้ตอนตีเมียเนยีเอาด้ามพัดเนี่ยตีหัวหลวงลุงหลวงลุงลองโอยแล้วลุงก็บอกว่าทะเลาะกับเมีย แล้วพระแก่ๆไปเกี่ยวอะไรด้วยหมายความว่าหลวงลุงรู้หมดเลยเพราะหลวงลุงเป็นเป็นพระอรหันต์ไม่ธรรมดารู้จิตของลูกศิษย์นะพระหลานเนี่ยก็เลยตกใจตกใจทีแรกคือตีหลวงลุงนะตกใจอีกอย่างนึงคือหลวงลุงรู้ว่าเราคิดอะไรเมื่อกี้นี้หมดเลยฉากทุกฉากเลยเนี่ยหลวงลุงรู้หมดแล้วเนี่ยตายละวะอาย ทั้งอายทั้งกลัวนะกลัวความผิดที่ตีหลวงลุงนะแล้วก็อายที่ว่าตัวเองคิดอะไรไปแบบไม่น่าคิดในรูปของความเป็นพระอย่างนี้วิ่งหนีวิ่งห น, งนีลงกุฏิไปทีนี้กุฏิพระเถระเนี่ยนะก็จะมีพระอุปถาพระอุปถาก็มีอยู่เป็นเป็นกลุ่มอะอย่างนา้อยสององค์เห็นพระหลานเนี่ยวิ่งลงกุฏิไปก็เลยต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยก็วิ่งไปจับพระเคยเห็นพระจับพระไหม <laughs> พระวิ่งไล่จับพระ มาจับมาได้แล้วเนี่ยจับพระมาจับพระหลานมาหาลวงลงพระหลานก็ขอเข้ามาบอกผมผิดไปแล้วครับลวงลงก็บอกว่าความผิดอันนี้นะมันไม่เคยเกิดะไม่รู้จะตัดสินยังไงพระลูกศิษย์มาตีหัวอุปชาเนี่ยไม่เคยมีความผิดอย่างนี้ไม่รู้จะตัดสินยังไงว่าจะลงโทษแบบไหนขอไป กราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้ท่านตัดสินพระหลานยิ่งตกใจอ่แค่ตีพระหลานกูก็จะแย่อยู่แล้วนี่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเลยเหรอถูกจับสองข้างเลยนะเหมือนหิ้วปีกพระสององค์นี่เหมือนหิ้วปีกพระหลานไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหาการุณามากจากเรื่องนี้นะอ่านแล้วซึ้งใจอี ก, อกเรื่องหนึ่งนะว่า พระพุทธเจ้าเห็นพระหลานชายเนี่ยกำลังแบบใจใจแป้วมากเลยอะใจไม่อยู่กั น, นื้อก็ตัวแบบกลัวมากทั้งกลัวทั้งสับสนวุ่นวายในในใจนนะพระพุทธเจ้าพูดให้องตดัดตัดให้คลี่คลายสถานการณ์จากความตึงเครียดของพระหลานชายนะนะบอกว่าเป็นยังไงพระจับพระมาเหรอ พระูปเจ้าพูดอย่างนี้เลยนะตัดอย่างนี้เลยเป็นยังไงพระจับพระมเรเอสถานการณ์นี่ดูคลายไปเลยว่าพยาค่ะ ไ, ไม่ใช่พยาค่ะนี่มันเป็นพระราชาแล้วเนาะ <ś c oughs> ใช่พระเจ้าข้าภาษาไทยนี่มันแปลมามันเหมือนเป็นพระราชานะ <ś c oughs> จริงอามะพันเตใช่ครับแปลง่ายๆเลยอามะพันเตใช่ครับก็คือครับ พระจับพระมาครับคำนี่มันทําให้มันผ่อนคลายมันเหมือนคําๆคําถามมันเหมือนคําๆนะคําตอบก็เหมือนขำๆทําให้ผ่อนคลายนะพระที่เป็นหลานก็รู้สึกเออพระเจ้าพูดอย่างนี้ด้วยเหรอเหมือนเหมือนอะไรเหมือนตอบใจเล่ๆแล้ว น, น, น, นะแล้วพระเจ้าก็แสดงความจริงอีกอย่างหนึ่งบอกว่ามันอย่างนี้แหละจิตมันทําธรมาธรมดาเป็นอย่างนี้แหละดูสิ คนกาลังกลัวรนลานเนยนะบอกว่าพระจับพระมาเหรอผ่อนคลายมานิดหนึ่งนะแล้วก็เหมือนปลอบนะธรรมดาจิตเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาเลยนะพอบอกธรรมดาขึ้นมานะใจสบายขึ้นเยอะพอสบายขึ้นเยอะเนี่ยจิตเริ่มปกติพอจิตเริ่มปกติเนี่ยนะพระเจ้าก็แสดงธรรมดาของจิตให้ดูแสดงธรรมดาของจิตนะท่านบอกว่าทูรังขมัง เอกจรังอสรีรังคุหาสยังนี่ลักษณะของจิต4อย่างแปลออกไหมทูรังขมังทูระคือไกลขมังขมะมะคือไปออกเสียงคล้ายๆภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคำแปลว่ามาแต่บาลีคำคือไป ครูรังขมังคือไปไกลจิตไปไกลจริงไหมจริงไหมไปซีเรียได้เลยไหมเครื่องบินตกที่ยูเครนรู้ไหมรู้ได้จิตไปไกลอเมริกากําลังจะกําลังจะส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดรู้ไหมรู้รเขาทะเลาะกันที่เฟอร์กูสันทะเลาะคนผิวดําประท้วงอะไรรู้ใช่ไหมจิตไปไกลกายนั่งอยู่นี่แหละแต่ จ, จิตรู้ไปทั่วเลย ทูลังก็มังเหมือนที่ปะหลานก็คิดไปไกลไกลในแง่ของระยะเวลาก็ได้คือคิดไปอดีตไกลเลยหรือคิดไปอนาคตที่ยังไม่เกิดอีกไกลก็ได้คิดว่าเนี่ยอายุ20แล้วก็จะได้บวชไม่นอน้ํานี่คิดไปไกลไปไกลทูลังก็มังอะไรอีกเอกะจรังเอกะคือ1นึจระคือคือแล่นแล่นไปทีละขนาด จิตเนี <würden ancia> ่ยเกิดดับทีละขณะอย่างที่บอกแล้วนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุไี้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไปไม่มีขณะหนึ่งขณะใดที่จิตเกิดขึ้นพร้อมกันสองดวงหรือ3ามดวงหรือเป็นพวงไม่มีจิตเกิดขึ้นดวงหนึ่งแล้วก็ดับไปทีละขณะทีละขณะอย่างนี้เอกจรังมี2อย่างแล้วนะทูรังกรมังแล่นไปไกลเอกจรังเกิดดับทีละขณะ อสรรรังไม่มีไม่มีสเรระไม่มีสรีร ะ, ไ ม, มรระไม่เหมือนร่างกายร่างกายมีสรีระใช้ตาดูได้แต่จิตเนี่ยใช้ตาดูไม่ได้ต้องใช้รู้สึกเอารู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นแง่เอาแง่เอาแต่แง่เนี่ยภาษาอาตมาสมัยนั้นคือรู้ทันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ไม่ได้ใช้ตาดูเพราะอสรรรังคือไม่มีสรีระ ต้องใช้รู้สึกเอารู้สึกในที่นี้ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีตรงๆเลยก็คือใช้สติรู้เอาว่าเมื่อกี้เกิด อ, อะไรขึ้นจึงจะรู้ได้ว่าจิตเมื่อกี้นี้เป็นยังไงอสรีรังคุหาสยังถึงไม่มีรูปร่างเนี่ยแต่ก็อาศัยคูหาคูหาคือถ้าอะไรคือถ้ากายนี้เป็นถ้าของจิตถ้าอยากจะรู้ว่าจิตเป็นยังไงม า, มาเฝ้าถ้าก่อน อาศัยกายเป็นเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนเช่นดูว่ากายนี้กําลังหายใจดูว่ากายนี้กําลังเดินกําลังเคลื่อนไหวกําลังพริกมือไปพริกมือมากําลังทุบต้นขาอะไรประมาณานี้นะบางคนก็มีท่าทางของของแต่ละคนไปต่างๆนานากำลังขยํากําลังกรีดนิ้วอะไรประมาณานี้นกําลังเคาะได้ได้ทุกอย่างเริ่มด้วยมาเฝ้าอยู่ที่ถ้าคือกาย สรุปลักษณะของจิตสี่อย่างที่ท่านแสดงให้พระฟุงร่านองค์นั้นฟังนะคือทูรังขมังไปไกลเอกจรังเกิดดับทีละขณะอะสรีรังไม่มีรูปร่างอย่าใช้ตาดูใช้รู้สึกเอาใช้รู้สึกคือใช้สติคุหาสยังถ้าอยากจะรู้ว่าจิตเป็นยังไงให้มาดักไม่ใช่มาดักให้มารอใช้ ใช้กายเนี่ยเป็นถ้าเป็นที่อยู่ซึ่งเป็นที่อยู่เป็นปกติของจิตอยู่แล้วมันอาศัยถ้ำนี้อยู่นะยังไม่จบแค่นี้นะท่านมีคาถาต่อทูรังมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมารพันธนาเยจิตตังสั ญ, ญเมสันติคือให้สํารวมอยู่ที่จิต ถ้าอยากจะรู้จิตอยากจะรู้จักจิตนะอย่าไปสนใจต้นไม้อย่าไปสนใจผนังอย่าไปสนใจสิ่งอื่นๆที่ออกนอกเหนือกายและใจอย่าไปออกนอกไปสนใจเรื่องนะั้นให้สำรวมมาดูที่จิตสัญญะนะี่คือสญญารวมสัญญะเนี่ยไม่ได้สารวมแบบปกติมันจะมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างคือมีสติและสัมปชัญญะสองตัวนี้นะจึงเรียกว่าเป็นสัญญะ มาสัมรวมดูที่จิตไม่ไม่ส่งออกไม่ฟุง้งซ่านแต่ให้สัมรวมดูทีจิตสังเกตดูว่าจิตมันมีลักษณะสี่อย่างอย่างเมื่อกี้นี่คือแล่นไปไกลเกิดดับทีลักษณะไม่มีรูปร่างอาศัยกายนี้อยู่เยจิตตังสัญเมสันติมาสัมรวมอยู่ดูที่จิตโมขันติมาราพันธนาโมขันติคือหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากบ่วงของมาร มารับันธนาคือบ่วงของมารฟังตรงนี้ปุ๊บพระที่ฟุ้งซ่านตีหัวอุปชาสำเร็จเป็นพระโสดาบันง่ายไหมง่ายแต่อย่าเริ่มด้วยการตีหัวตอนนี้ไม่มีพุทธเจ้ามาคอยบอกอะไรแล้วนะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้มีพระอยู่องค์เดียว <laughs> ถ้าทุกคนลุ ม, มตีหัวเนี่ยต่อมาไม่รอดเนี่ยดัง <laughs> นั้นดูลักษณะของจิตคนฟุ้งซ่านให้ดูลักษณะของจิตสี่อย่างอย่างนี้จิตแล่นไปไกลมันแล่นไปแล้วรู้ทันมันแล่นไปแล้วรู้ทันเห็นไหมเกิดดับจริงและขนาดดังนั้นต้องให้มันเกิดก่อนขณะที่มันแล่นไปเนี่ยขนาดนั้นไม่รู้แล่นไปแล้วอีกดวงนึงจึงจะรู้ทันว่าเมื่อกี้ เกิดอะไรขึ wow. ้นเพราะมันเกิด <Maybe>. ดับทีละขณะขณะที่เผลอไปแล้วเนี่ยไม่รู้ให้มันดับก่อนแล้วขณะที่รู้จึงจะรู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปตอนเผลอไม่รู้ตอนรู้ไม่เผลอตอนคิดไม่รู้ตอนรู้ไม่คิดเข้าใจไหมตอนคิดเนี่ยมันขณะหนึ่งตอนรู้เนี่ยไม่คิดรู้เอาแล้วที่รู้ก็ดับเพราะจิตเกิดดับทีละขณะแล้วมันจะรู้ลักษณะอีกอย่างหนึ่งของจิตคือมันไม่เที่ยงเห็นความจริงคือมันไม่เที่ยงพอเห็นความจริงทำไมไม่เที่ยงแล้วมันจะเกิด ปัญญาในขั้นวิปัสสนาไอ้เผลอดับไปรู้ว่าเผลอไอ้เผลอดับและไอ้ตัวรู้ที่เป็นสติเนี้ยก็ดับเผลอใหม่เห็นเผลอดับเห็นรู้ดับเห็นเผลอดับเห็นรู้ดับเห็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆจิตจะเริ่มเข้าใจเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นขณะขณะขณะแห่งปัจจุบันเนียนิดเดียวถ้ารู้ตรงว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะ ปัจจุบันคือรู้แล้วรู้เองก็ดับนิดเดียวถ้าเห็นว่ามีสติรู้อยู่นานๆเ น, น, นี่ น, นะให้เข้าใจไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นตัวรู้ที่ผิดน่าจะเข้าใจผิดตัวรู้สําหรับพวกเราที่ทําชาญไม่ได้เนี่ยจะเป็นรู้แบบแวบๆคล้ายๆผีกระสือรู้แว บ, บๆนะรู้ทีละนิดทีละนิดทีละแวบทีละแวบแต่มันจะเข้าใจเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าไอ้แว บ, บๆเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยง ทุกครั้งที่แว็บเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันก็ดับเลยนะทุกครั้งที่ดับมันก็จําตอนที่เห็นอย่างอื่นเนี่ยนะมันจําเหมือนกันนะจำว่ามีคนนี้น่ารักเนี่ยมันจําเป็นอนุสัยเป็นราคาอนุสัยจําว่าคนนี้น่ากเกลียดก็จําเป็นปฏิคาอนุสัยจิตทุกขณะมันจึงให้มันจะมีความจําเกิดขึ้นเสมอ แล้วมันก็เลยให้คะแนนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าไม่มีสติมันก็ให้คะแนนไปทางอนุสัยทุกๆขณะทุกทุกขณะเลยนะจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีสติเนี่ยอย่าง น, น้อยๆเลยจะมีตัวโมหะตัวไม่รู้ตัวอวิชชาจะเก็บสะสมอนุสัยคืออวิชชาอยู่เสมอแล้วก็เผอง่ายเผลง่ายใจลอยง่าย แต่ถ้ามีสติมันจะจำเป็นสัญญาว่าเมื่อกี้นี้ราคะมันเป็นยังไงเมื่อกี้นี้โทสะเป็นยังไงจำลักษณะของสภาวะที่เรียกว่าเป็นปรมัตก์เข้าใจัหมเพราะนั้นมีสภาวะเกิดขึ้นมานะนะมันจะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งให้เราตัดสินใจว่าจะสะสมเป็นอนุสัยหรือจะสะสมมาเป็นสัญญาจำว่าสภาวะเมื่อกี้มันเป็นยังไง ถ้าจำเป็นอนุสัยก็ทำความเคยชินในการอยู่กับโลกต่อไปแต่ถ้าจำว่าสภาวะเมื่อกี้เป็นยังไงมันจะเป็นต้นทุนที่เราจะทำกรรมไม่ดำไม่ขาวเพื่อพ้นจากกรรมพ้นโลกนี้ไปจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิด <laughs> พอเข้าใจไหมสงสัยอะไรไหมกินเวลามากแล้วหรอ